ก็นำนำตอพประการใดต่อให้กับเัาลยังเพื่อนจาธรรมิกทุกทุกรูปเจริทธมรมยังสามมันเอนขึคนณมาจีบาโสบาิกาทุกท่านเราก็นั่งเรถถาทำกัน คณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ฟังแบบสรุปจะประเด็นเอาสิ่งที่ฟังมาเปิดแบบต่อเพื่อเสริมศรัทธาความเชื่อใสความเชื่อความเริ่มใสใสลงไปใน จินในใจภาษาพุ า, านาะบอกเหมือนกับทำใจให้เป็นภนาชนะทองรองรับธรรมรสรสของพระธรรมชนะรสชาติของต้องปวงธรรมรสสองธรรมรสส เป็นธรรมะชนะลดของอื่นๆทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกโลกวันเวลาผ่านไปวินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งกอใกล้ก่านตายทุกๆคนน โบราณ น, นั้นเปรียบเทียบเหมือนกับฟองสบู่แตกโป๊นะลอยอยู่ไม่นานนะักเหมือนกับน้ำค้างบนยอดจ้าปพระโดนแสงพระอาทิตย์ก็เกิดแห้งละลายหายไปหรือเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งฟังแล้วก็เห็นภาพโคที่เปจะกาดตรงสู่หลักฐาน เก้าหนึงเก้าหนงก็ใกล้ตายไปทุกทีคราวนี้ชีวิตเรามันเดินทางสู่ความตายการที่มียึดเหลืออยู่ก็คือกําไรที่ต้องใช้ให้เกิดคุณค่าสูงที่สุดเรามาศึกษามาทำประโยชน์ว่ามีธรรมะกัมีวินยัย ม, ม, ม, มีกรอบมีขอบมีเกตมีกติกาจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะเคลื่อนไหวก็ได้ประโยชน์เรียกว่าเอาประโยชน์ของชีวิตมาใช้ให้เป็นความพาสุขมีจิตมีใจก็เหมือนกันทำไมเคยฝึกเคยหัดเคยรู้จักตัวเองมันจะไม่เห็นเลยบางทีจิตใจของเรา มันก็สร้างปัญหาเรียกว่ามันค่าคุณแทนที่มันเป็นคุณค่ามันก็คิดไปปรุงแต่งไปจนกินไม่ได้จะนอนไม่หลับเกิดอาการต่างๆมากมายแล้วเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเราก็วิ่งห า, าไปนอกตัว พอทุกข์ไม่สบายใจว่ามีปัญหากวนบานสารกล่าวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็หวาดหวั่นบางทีก็กลัวกลัวความมืดกลัวสัตว์สัตวะสิ่งกลัวตุกแกกลัวงูกลัวแมงป่องกลัวขาดกลัวนอนกลัวทั้งที่เขากกลัวเราเหมือนกัน งทีมันก็ไม่มีเหตุผลความกลัวมเป็นอารมณ์เหตุผลมันก็มาไม่ทันอย่างเช่นเรานี้ผ่านประสบการณ์ที่ภูเก็ตเนี่ยไปนอนอยู่โรงแรมนึงเขาทิ้มลไปให้ไปพักชื่อ Raymond c กรีปที่นั่นก็มีฝรั่งมาพักแล้วตายเป็นลม ก็ตายคนที่ทำงานก็กลัวทั้งทั้งที่มันก็มีคนตายอยู่ทุกโรงแรมเลยหรือว่าช่วงสึนามิคนตายกันเยอะบางโรงแรมก็ตายกันเป็นห้าร้อยเป็นพันก็มีที่นี่มมีคนตายอยู่บนภูเขาที่หาดป่าตอง มีพลังก็เป็นลมฝรั่งแก่ๆปุเมีกนห่หลังจากที่ไม่ได้ทำงานแล้วพักผ่อนไปตายที่ระหว่างทางที่พักไปโรงพยบาบาลซึ่งดันนั้นก็ยังกลัวกันนะ ก, ก็นิมนต์นไปผมน้ำมนต์ พเข้าไปดูแล้วว่าห้องสะอาด้องน้ำก็สะอาดที่หลับที่นอนปูก็เรียบร้อยหนังสือก็วางเป็นที่เป็นทางเอารีโมทมากดดูทีวีก็ใช้ได้ดีก็เลยบอกเขาว่าโอ้ยังใช้ได้ดีอยู่นะเนี่ยให้คนเข้าพักบ้างหรือเปล่าพนักงานก็ก็บอกว่า ก็ให้เข้าพักอยู่ตลอดเวลานั่นแหละไม่ให้ว่างเลยก็บอกโอ้แสดงเป็นช่องอ่าห้องนําโชคแล้วเป็นจองทางธรรมะหากินของเราแล้วห้องนี้เป็นห้องที่ไม่น่ากลัวที่ารก็คือฝรั่งเขาตายที่ไหนเขาบอกเขาตายระหว่างทาง อ๋อเขไม่ได้ตายในห้องนี้นี่มันไม่น่ากลัวอะไรเลยฝรั่งก็ว่าเป็นคนดีใช่ไหมมาอยู่ก็เรียบร้อยดีใช่ไหมทุอย่างมก็เรียบร้อยดีทั้งหมดก็เลยบอกก็โอ้ไม่น่ากลัวอะไรเลยก็เลยสวดมนต์ทำน้ํามนต์ให้อ๋อถ้าต้องการให้ทําน้ํามนต์ก็จะทําให้ก็ ทำน้ำมนจะยันโตแต่แล้วให้อาจารย์สนใจอลรมกันกับปลมน้มนเล็กๆน้อยผมตอนหลังผมน่าจะมาก็เลยเอามาปลอมอีกทีนึงให้กับคนที่ถือนั่นแหละคนทีก่กลัวที่สุดกับแม่บ้านอีกคนหนึ่งก็พรมให้เต็มที่ก็สังเกตวก่าเขาสะดุง้งจิตใจก็สะดุง้งเวลาโดนน้ําเยอะมันเปียกมันเย็น มันก็แทรกลงไปที่หัวมันจะดุ่งบุบเห็นจิตของเขามันตื่นขึ้นมามันจะดุ่งมันโดนสัมผัส <c oughs> ก็เลยบอกเขาเป็นคนที่ไหนเนี่ยก็บอกเป็นคนเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิเอ้าอยู่จังหวัดเดียววะเนี่รู้จักวัดป่าสุวโตต์ต่อไหมไม่รู้จักครับ อ, อ๋อรู้จักทหารป่าตองเนาะ รู้จกักตไดมอนด์คลิปรีสอรทที่ทำมาหากินนั้นก็ต้องกลัวผีอย่างี้ไม่รู้จักวัดไม่รู้จักว่าก็มันนี่พวกเรามาจากชายภูมิทำเมนกันอาวัดป่าสุโะตูกรณิมันให้มาสอนเจริญติตเคยึกเคยหัดไหมเอาไว้ไปที่วัดนะคนที่ไม่เคยได้เข้าวัดเข้าว่าจะกลัว เห็นความตายของคนอื่นก็กลัวทานที่จะนอ้อมอำเป็นประโยชน์อน้นะอันนี้มันเป็นอาการบอกถึงคนไม่เคยรู้จักเรื่องการฝึกสติปัฏฐานสี่ไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวว่าหลงไปตามข่าวเล่าลือพูดต่อต่อกันไปฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดมีหูวหลงทางหูมีตากหลงทางตา มีจมูกก็หลงทงางจมกูกมีกายก็หลงทางกายมีลิ้นก็หลงทางลิ้นมีความคิดนึก็หลงความคิดมันก็เจริญขาดทุนชวิตขาดทุนเหมือนกับช้างตัวหนึ่งตายเน่าอี ก, กาก็เห็นว่ามันาร่อยอร่อยเข้าไปกินตับไตใส้ปอดของเน่า มีน้ำไหลหลากครับพัดพาเอาจากช้างไหลไหลสู่ทะเลลึกอีการกรมุดกินกันจนเพลิดเพลินมารู้สึกตัวกันอีกทีเอาวงวง้างบินกลับไม่ถูกหมดเรีย่ยวหมแรงตกน้ำตายกันปุถุชนคนทั่วไปมนุษย์ตัวทั่วไปเยหลงโลกหล ง, ลงวัตถุกรรมคุณการกินเกียดต่างๆ อันนี้พอเรามาฝึกสติเราก็ได้เห็นกายของเราตามความเป็นจริงมันจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนมันจะหิวเราแมว เ, เป็นความทุกข์แมว เ, เป็นความหงดุดหงิดบที่หิวก็หงดุดหงิหิวก็เครียดหิวก็ล้มก็นในปกติมีผลกระทบเปลีป่ยนตัวเองเปลีป่ย น, นผู้อื่นบางทีมันก็มี อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแบบเราไม่ทันตั้งตัวไม่ทันที่จะรู้เท่ารู้ทันอารมณ์อารมณ์มันก็ครอบงำเราบางทีมีรูปรักรู ก, กเ ก, กลียดรูกมีสามีรักสามีเกลียดสามีมีภรรยาก็เบื่อภรรยามีงานก็เบือ่องานมีบ้านก็เบือ่อบ้านคนในอยากออกคนน อ, อกอยากเข้า เราเห็นจิตใจเรามันมีนิสัยขี้เบื่ออะไรนี่อะไรหน่อยมันก็เบื่อแล้วยิ่งมานั่งสร้างจังหวัดเจริญสตรีเราจะเห็นได้ชัดเลยตัวเบื่อเป็นอารมณ์ที่อยู่กับจิตมันไม่ใช่จิตแต่ว่าจิตอยู่กับความเบื่อและจิตก็เบื่อตามมันอยู่กับสิ่งไหนมันก็เป็นสิ่งนั้นไปเลยจิตอยู่กับความกอดก็เป็นความกอดอยู่กับความปกติก็เป็นความปกติอยู่กับความสุขก็เป็นสุขอยู่กับความทุกข์ก็เป็นทุกข์ เราจึงฝึกหัดแยกแยะนะแยกแยะโดยการสัมผัสธรรมชาติที่มันมีอยู่ในตัวเราเป็นกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมต่างๆมามีสติแล้วก็จัดระบบจัดระเบียบจัดวินัยของจิตใจเรามันเคยคิดเคยหลงง้นะหลงไปปรุงแต่งในความคิดจนเกิดอารมณ์ต่างๆมากมายก็แย ก, กออกไว สัมผัรู้ความรู้สึกตัวมันก็เป็นปกติตามหลักของมหาติฐานสูตรที่องค์สมเด็จสัมมาเจ้าควรพบเมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมามันก็ยังมีกลิ่นไอให้เราได้ฝึกฝนตนเพื่อที่จะได้เข้าถึงความจริงของชีวิตเรากันตามความศรัทธาตามความเชื่อที่เรามีอยู่ตามลำดับด้ตามน้าหนักของแต่ละบุคคล มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคนที่จะไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าสัมผัสธรรมตามลาดับขั้นตอนได้ก็คือหนึ่งขาดจัตธาขาดความเชื่อเรียกว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิอันนี้ยากอย่างมากเหมือนกระจุงอูดร อ, ร, อรูเข็มโ บ, มบราณท่านเปรเียบเทียบเอาไว้อูดในตัวมันใหญ่รูเข็มนั่นเล็ก การที่จะเข้ามาถึงความรู้สึกตัวหรือว่าเข้ามาปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมปัญญากระดานนั้นแต่ว่าก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้เพราะว่าจะทาคือความจริงที่มันสัมผัสได้ทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีอการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาตลอดเลาตยเราก็เคลื่อนไหวใจเราก็เคลื่อนไหว แต่มันขาดสติตาในตาเนื้อเราเห็นกันมัตถุรูปธรรมในตาในตาสติตาปัญญานะมันคือความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมสติคือการกรู้รูสัญญาคือรู้ตัวทั่วพร้อมปัญญาคือรู้รอบ ก, กองสังขารสังขารเนื่องปรุงแต่งเห็นด้วยปัญญาว่าเนี่นะสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง มันไม่ได้ยอแปรปวนไปตลอดเวลาเลยสังขารการประชุมของธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมแปรปวนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายต่างๆเดี๋ยวเอาข้าวเดี๋ยวเอา เ, าเกาะกินกับถ่ายต่างๆ <c oughs> มันเป็นลักของการประชุมของขันแต่ยิ่งตัวชีวิตมันขันห้ามันเป็นรูปขันเส้นหนึ่งและเป็นนามขัน อีกสี่เวทนาไงนนะคือสุขคือทุกข์วิญญาณคือมันรู้ได้สัมผัสได้ถ้าไม่มีวิญญาณมันก็โง่เลยตาบอดก็โง่ทางตาหูมือก็โง่ทางหูเป็นอมัมพากอัมพาตก็โ ง, ง่ทางการสัมผัสทางร่างกายของเรานะเพราะฉะนั้นวิญญาณก็คือรู้ได้มันวิญญาณเนี่ยรู้ได้นั่งอยู่รู้ว่านั่งถ้ามีสตินะแต่ถ้าไม่มีสติมันนั่งมันก็ไม่รู้ว่านั่ง มันไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่กันไหนเนี่ยมันไม่รู้หน้าที่มันไม่รู้กาลเทศะไม่รู้เหตุไ ม, ไม่รู้ผลไม่รู้บุคคลไม่รู้ตนไม่รู้ประมาณไม่รู้อะไรทั้งนั้น่ะเป็นคนบ้าเป็นคนมิปรารถอย่างนี้นะอันนี้เราก็เรียกว่าฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเรียกว่าหายโรคบ้าปรถุชนนี่ถือว่าเป็นคนบ้าหลงสุขหลงสวยหลงรวย <c oughs> หลาเตียงแท้หลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นความหลงเราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นการแก้โลกเป็นปัญญาที่เยียวยาชีวิตอะไรเกินสุสวรรคปกติของจิตคืนสุสภาวะปกติธรรมชาติธรรมดาสามัญทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็จะมีผลอย่างนี้แหละเราจึงต้องฝึก ต, ต้องหัดกันสัญญาคือจําได้หมายรู้ด้วยสมองอีกแขนหนึง หรือว่าการปรุงการแต่งทั้งหลายนะที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่เยีตัวไม่เยียดตนเราก็มีปัญญารู้จักปัญญาตัวนี้เกิดจากตัวสติปัฏฐานที่ทําถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องการเคลื่อนมือเคลื่อนไม้อันนี้คือรูปแบบของกรรมฐานการดูลมหายใจกระพริบตาท้องปองยุบการเดินจงกรมพวกนี้มันเป็นรูปแบบของการฝึกการหัดทําไมเราต้องฝึกหัด ต้องใ้รูปแบบก็เราจะชกมวยก่อนขึ้นเวทีมันมีเป้านิ่งให้ฝึกให้ซ้อมเตะก็สอบใจมันแน่นอนกว่าถ้าเตะก็สอบซายเตะถูกเตละลากขาไม่เจ็บเท้าไม่เจ็บไม่เครียดเราก็รู้สึกว่าเตะเท่าไรกำลังก็ไม่ตกเงี้ยก็แน่นอนเรขึ้นเวทีเราก็ จะได้ประสบการณ์อย่างที่เราไปฝึกซ้อมมานั่นแหละยิ่งเขาเคลื่อนไหวเราต้องฝึกชกเป่าเต็มเคลื่อนไหวอย่างี้นะรัวหมัดใส่ให้ว่องไวให้แม่นยำแล้วก็ถึงเวลาลุกก็ลุกถึงเวลาถอยก็ถอยถึงเวลาเก็บอาการเวลาโดนหมัดอย่างเง้เวลาเต้นฟุตเวิร์อันนี้คือเป็นการเสริมเติมกำลังอยู่ตลอดเวลาคือการข้องตัว ก็ต้องมีการฝึกหัดซ้อมการยิงปืนก็เหมือนกันก่อนจะยิงเป้าบินเนี่ยนะยิงนกบินให้ร่วงมาหรือเป้าบินมันลาก็ล่อนจานแล้วก็ยิงก็ยิงเป้านิ่งให้ถูกก่อนเป้านิ่งๆก่อนจะยิงให้ถูกไกลๆก็ยิงใกล้ๆให้ถูกก่อนก่อนจะยิงเป้าเล็กๆก็ยิงเป้าใหญ่ๆให้ถูกก่อนนั้นเปรียบเทียบประมาบวามแยบานการเคลื่อนมือสิบส่จังหวัด เ, เป็นเป้าใหญ่มันเป็นเป้าที่เราสั่งได้ เดินจนกรมเนี่ยเป็นเป้าใหญ่และเป็นเป้าที่เราสั่งได้ตัวสติปัฏฐานก็จะเริ่มต้นฝึกหัดจนเกิดประสบการณ์ทําซ้ำๆไปบ่อยต่อจนชํานาญมันก็จะรู้เท่ารู้ทันอาการเคลื่อนไหวตระเรงหนาเป็นปัจจุบันความคิดที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเหมือนกันมันคิดเนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันนะแต่ในเรื้อหาในเนื้อหานเนื้อเรื่องของความคิดเนี่ยเป็นอดีตนาคต มันเป็นการจำได้หมายรู้ในสมองสัญญาต่างๆหรือจิตใจถึงเคยจดจำประทับใจเอาไว้ที่มาวานาจารย์ใจพูดถึงบัญชีแผ่นทองคำบัญชีหนังมาเน่าเราได้เห็นเลยขณะที่เราปฏิบัติธรรมเป็นคนอย่างไรมันจะ ใ, ให้เราได้ดูมันโกหกตัวเองไม่ได้หรอกสักจากามจริงเราได้เห็นเลยเวลายกไม้ยกมือสิบสี่ชั่งวานะอยู่ๆคิดเฉยเลย ปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกใครเคยทํากับเราเราเคยทํากับใครอย่างนั้นนะมันจะเกิดขึ้นมาโดยข่าสัตว์ตชีวิตต่างๆมันจะเป็นภาพเราเยะมันฉายขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคือนามรูปเราไม่รู้แต่พอเราไป บ, บ, บัดไบ่อ๋ออันนี้มันเป็นอาการของจิตใจเรามันเคยทํากรรมมาไว้แล้วมันก็มีวิบาก แล้วมันก็ให้ผลออกมามันเลยรู้จักเลยโอยนี่คือตัวพบชาติใหม่ๆ ม, มันยัไม่รู้หรอกมันจะพูดไม่ได้นะคือพบชาติแต่ตอนหลังมันจะรู้เอ้าไอ้นี่มันคือพบเนี่ยวัตถุรูปธรรมีนเราเจอกันพบกันตอนนี้ญาติโยมคณะอาบาจอมาที่วัดป่าสุโกโตพระก็ได้เห็นโยมม า, มาพบกันโยมก็ได้เห็นพระคณะสงฆ์วัดป่าสุกโตนี้ได้พบกันเป็นวัตถุรูปธรรมแต่ในจิตใจของเราเป็นภาพ ที่มันฉายออกมาเหมือนฉายหนังเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเป็นจอดเป็นจอดเป็นจอดเป็นจอดเหมือนเราดูหนังสมัยโบราณน่ยหนัง35มิลลิเมตรมันเป็นฟิล์มเป็นเครื่องอาร์ตมันฉายต้องใช้เครื่องอาร์ตหมายถึงว่าไอ้ที่เข้ามาเชื่อมบัดเกลียเนี่ยเป็นฐาน G ขับไปมันก็จะช็อตกันเป็นประกายไฟแรงสูง ส่องผ่านภาพเป็นฟิล์ม35มเมมีมอเตอร์หมุนเรียว่าน้ําเตยนะเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องช่องมันเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเราจะเห็นเลยมันต่อกันตึ๊ดๆึ๊ดตึการเคลื่อนไหวไม่เหมือนกับภาพการ์ตูนภาพการ์ตูนมันสภาพอย่างเงี้ยนะตึ๊ดตึหลังการ์ตูนจะกระด้างแต่ตอนนี้มันเป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์ต่างๆ มันออกแหวมาเสมือนจริงแต่โบราณเนเราเห็นเลยโอ้มันเหมือนกับจิตของเราเลยมันจะฉายเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเป็นตอนออกวัต่อเนื่องเป็นเรื่องราวของชีวิตเราก็เรียกว่ามันฉายอดีตของเราเนี่ยเคยทําเวรทํากรรมมันจะกลายเป็นลักษณะของจิตสํานึกหรือว่าการระลึกบาปสติระลึกได้วันนี้คือไม่ดีคือบาปพอมันขี้ขึ้นมาน้ําตาไหลเลย ปฏิบัติอยู่ดีๆนะปกติอยู่ดีมันเศร้าเลยมันเบื่อเลยมันเครียดขึ้นมามันอึดอัดขึ้นมาเลยถ้าคิดถึงเรื่องไม่ดีนะหน้าดําไปเลยปฏิบัติธรรมกรรมฐ า, านนะเป็นพระพระหน้าดําแลยเป็นชีก็ชีหน้าดําเลยพระขาวถะาเป็นโยมก็เหมือนกันนะเหมือนกันทุกคนไม่เกี่ยวกับใครเท้านั้นนะสักพักเดียวเดี๋ยวก็ง่วงกลายเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านจิตไม่เอาไหนมาก่อนเป็นจิตที่ไม่ได้พักมาก่อน พอไปเรียกทจิตตกผลาวแบบนั้นมันบวกกับความง่วงทันทีเลยตกล่องง่วงสะเะงกสะเป่งเงนะนะอ้ยเรียกว่าการ ม, มาฐานไม่ชัดเจนสติไม่ชัดเจนจิตไม่ตื่ น, นถ้าคนจิตตื่นปฏิบัติปั๊บมันก็จะปกตินะครเข้าล่องของมันทันทีเลยเราก็เริ่มที่จะปรับจะจูนสมดุลหรือว่าสมดุลหรือเรียกว่ามีเอยียงซ้ายมีเอยียงขวาปรับได้ทันทีเพราะนั้นเวลาเราเคลื่อนมือนะไม่ใช่ของธรรมดาของเล่นเลยนะ สิ่งนี้าคนทําแล้วได้มาจากสิ่งนี้จะเขาลบศรัทธาเหมือนกับคนที่เคยได้ชีวิตมาจากใครสักคนมันจะนึกถึงบุญคุณคนนั้นเลยมันจะไม่อักตันอยู่ไม่รู้คุณความรู้สึกตัวในการเคลื่อนท้ายส่วนจะพัฒนาไปจบการเคลื่อนไหวกระพริบตาหายใจการว่าเราหายใจนี่ก็เป็นความรู้สึกตัวหรือว่าเซลล์ของเราทั่วตัวเนี่ยเวลามันทราบร้างขึ้นมา เป็นพลังชีวิตหรือว่าหมดพลังนะมันก็คือความรู้สึกตัวตรงนี้นมันไม่ใช่รูปแบบสิ่งที่ช่างวทําพัฒนาไปอันเนี้ยนะมันจะหายสงสัยไปเลยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเคลื่อนมือให้เป็นซะก่อนถ้าเรายังเคลื่อนมือไม่ได้อย่างเออๆอย่างนั่นอย่างนี้อย่างนู้นกับการเคลื่อนการไหวรูปแบบซึ่งเป็นธรรมชาติของกายเราที่เป็นทั้งกุศลทั้ง อ, อกุศลเลยนะการเคลื่อน ถ้าเราไม่มายกมือติดปีงหวังไม่ใช้สภาวะของรูปแบบที่เป็นกลางเป็นธรรมที่บรรพุลุ่มปัญญาชาวบ้านเขาได้บอกต่อต่อต่อๆกันมาแล้เราไม่น้อมมาฝึกหัดเลยเพราะที่นี่นะที่วัดปลาสตโตนะแล้วก็การฝึกหัดเราไม่สามารถยืดเยื่อนได้อยู่เรื่อยๆมันบอกถึงอะไรบางอย่างอันนี้พูดได้เลยกล้าเถียงเลยตัวนี้กล้าถกด้วย ถึงเหตุผลตรงนี้มันเห็นยอดชันเลยการเคลื่อนใจมันสบายถ้าวางจิตวางใจเป็นอย่างไงี้นะแต่ถ้าหากว่าวางจิตวางใจไม่เป็นเดี๋ยวได้เรื่องเลยพอมันเครียดขึ้นมาเดี๋ยวเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆเขาเคยเราเคยทํากับใครใครเคยทำกับเราจะปรากฏขึ้นมาทันทีบางทีในภาพเพื่อนโผล่มาลืมไปนะหลายปียี่สิบปีสาสิบปีสมัยเป็นเด็กๆ เคยตีลันฟันแทงเคยชกเคยกอดเคยปั้มเง น, นโผมาเฉยเลยโอ้นี่เป็นภาพของศัตรตูผู้อริของเราเราลืมไปแล้วนา น, านแล้วนึกว่าอาภัยยังฝังอยู่เลยในจิตในใจของเราอย่างงี้ยนะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างงี้ยนะเคยทําดีตรงนั้นตรงนี้มันก็โผล่มาแต่ว่าใหม่ๆเนี่ย น, นะรอยวิบากกรรมความทุกข์เก่าๆจะตามมาก่อนพอหลังจากนั้นจะรู้สึกว่าเคสหลาบเคยทําให้ดีกับพ่อกับแม่มา เคยถกเคยเถียงมาก็ทําให้พ่อแม่น้ำโหนตาไหลมาเคยคิดอยากจะเปลี่ยนนามส ก, กุลไม่อยากอยู่แล้วนามส ก, กุลเนี่ยไม่ได้ดังใจทําเราเกิดมาไม่ได้ดังใจรักเรามีต่ดูแตดาว่ากล่าวเนนะมันจะคิดขึ้นมาขณะปฏิบัติเนี้ยแหละแล้วสักพักมันจะสํานึ ก, กได้โอ้ที่เขาสอนเราเนี่ยเขาคิดถูกแล้วนี้หลายสิ่งหลายอย่างมาที่นี่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนทัานก็พูดมาที่นี่ผู้หลักผู้ใหญ่ชาวบ้าน เราก็เห็นคนอีสานก็มีความกระตันยูรู้คุณคนอย่างนั้นลูกเต้าพ่อแม่เขารักกันวันเทศกาลทีมาที่บ้านเขาก็โอ้รู้สึกว่ามีความสุขอย่างวันสองวันนี้จะมีเทศกาลเชงเม้งนะคนจีนส่วนใหญ่ไปเจอกันก็จะพูดกันเป็นไงรวยมาเท่าไหร่กี่ล้านปีนี้ให้แม่ใช้เท่าไหร่ผมเรีออกมาในเบื่อที่สุดเลยเหมือนกัน เวลาเชิงแมงที่ไปรวมตัวเนะี่ยดูดูการนี้แหละดูการเชิงเมงมันมีแต่อวนล่ำอดรวยมั่งครั่งนั้นถ้าเป็นที่จังหวัดระยองเขาถามว่ามีเงินกี่สิบหมืน่นภาพมันโผลมาขณาปฏิบัติเลยนะยกมือสิบสี่จังหวัดนนะมันก็คิดไปไม่รู้สึกตัวนะแต่ก็แวะไปประสบการณ์เก่าๆพอมาเต็มเลยอันนี้คือกระบวนการชำระล้างมันก็ระลึกบาปสํานึกบุญสํานึกบาปสำึกบุญพวกนี้นจะเกิดขึ้นมา เราก็มันเริ่มไข้ควและจิตมันเริ่มมียโยนิโสมนสนการแยกแยะอันนี้มันคือความคิดนะเพราะฉะนั้นผู้ใหม่ปฏิบัติเนี่ยคิดดีเราก็กลับมารู้สึกตัวมันคิดไม่ดีปรากฏขึ้นมาแล้ว ก, กลับมารู้สึกตัวมีความง่วงนิวรธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็แวกออกหาความรู้สึกตัวปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขด้วยเทคนิคที่มันมีในขณะปฏิบัติ ของไข่ของเราจะเกิดขึ้นมันก็แก้ไขทะลุความง่วงผ่านความมุ่งเมื่อย่างมาเนคนมาใหมา่อาจจะนอนไม่หลับแปลกที่อย่างเงี้ยนะใครบ้างมาเกาินนอนไม่หลับยกมือขึ้นนะมีไห ม, มอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดโอหลายคนนอนไม่หลับเดี๋ยววันนี้เราปฏิบัติธรรมมันจะต้องโง่งง่วงแน่นอนเราก็ไม่ต้องไสนใจมันมันง่วงขนาดไหนแล้วก็ฝึกตนสอนตนกันเงี้ยนะ หลังจากนั้นเรารู้สึกตัวมันจะปกติไปเรื่อยๆมันไม่เกี่ยวกับนอนหลับนอนไม่หลับแล้วมันเกี่ยวกับความรู้สึกตัวมันปลกให้เราตื่นขึ้นมาจิตใจเราจะเริ่มทราบร่านอิ่มมีกําลังมีเลี่ย ง, ม, งมีแรงขึ้นมาถ้าเราปกติรู้สึกตัวถูกจะเห็นว่ามันมีพลังงานเล็กๆค่อยๆขยายผลเกิดขึ้นมาจะยกมือได้เรื่อยๆมันไม่ค่อยมีปัญหา ถึงมีปัญหาเราก็กลายเป็นปัญญามันจะผ่านวุ่งมาพอมีสติรู้ทันหายวับไปเลยมีความคิดเกิดขึ้นมาพารู้ทันมันตัดต่อไปเลยมันไม่ได้คิดจนจบกระบวนการของมันอย่างนี้นนะเราจะเห็นว่าเออมันมีปฏิกยาการเป็นกระบวนการของใครของเราเล็กๆ เ, เกิดขึ้นมาขนาดหนึ่งรู้ครัง้งหนึ่งขนาดหนึ่งรู้ครัง้งนะมันก็จะเริ่ม เห็นคุณเห็นค่าของการกลับมารู้สึกตัวเบื้องต้นเลยทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตใจก็ผ่อนคลายทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมก็รู้สึกสบายทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมก็เป็นความสะดวกจิตเรามันว่างๆา ง, า ง, างเมื่อกี้มันรู้สึกหนักๆอยู่มีอารมณ์ครอบงําอยู่ตอนนี้วันหลุดเรียกว่าวิมุตินะพอไม่ให้ราคาอารมณนะ์เบื่อหน่ายในอารมณ์มันก็เกิดการหลุดพน้นขึ้นมา ทุกครั้งที่หันมาคว่าทุกครั้งที่หันมาสู่ความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวมันคือคําตอบมันกับเราไม่มีเงินเนี้ยเรากลับมาหาอาชีพเดิมของเราอาชีพอะไรที่เคยทาแล้วได้เงินนะก็กลับมาหาตัวนั้นนะมันกับว่ามันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกจริงๆเลยว่าการทำนี่นเป็นเรื่องที่หยิบยืมใครไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องทําเองข้างในของไทยของเราอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าสรุปจับประเด็นให้ถูกก่อนหลังจากนั้นมันจะเกิดประสบการณ์จานาญไปเองกลายเป็นว่าจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะใช้ชีวิตอยู่สถานที่ตรงไหนมันก็คือเรารู้ตัวของเราอยู่อันนี้แหละเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราจะต้องชวนกันทํายิ่งมากก็เป็นกลุ่มเป็นหมู่มเป็นคณะยิ่งดีเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเจออารมณ์มันก็ไม่อยากสู้มันก็อยากจะหลบ แต่ว่าอยากมาปฏิบัติก็อยากกลับบ้านไปตัวอยากธรรมตันหาจะพาเราทําพาเราคิดพาเราพูดไปมันจะกลายเป็นเรื่องของปุถุชนคนทั่วไปเรามาที่นี่เราก็ถือศีลเหมือนกับไม่ชีเหมือนกันแต่ว่าเป็นชีพรา嘛นะไม่ได้กลนหัวกลนคิ้วอย่างนี้นะแต่ว่าเราถือศีลแปดเราก็ใช้ศีลสังคมนี่แหละเราก็ต่อยอดมาเป็นศีล เป็นศีนปลปรมาณเป็นศีลของภาริยะที่รักษาเราต่อไปภาริยะก็คือไกลจากข้าศึกไกลจากศัตรูศัตรูของเราคือความทุกข์คือกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่กิเลสมีระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดที่พูดมาสักครู่เนี่ยมันมีระดับกลางก็คือความหงงเหงาเหานอนอย่างเงี้ยนะหรือ ว, ว่าความเบื่อเอนี้ ความระเลยสงสัยนี่เป็นระดับกลางระดับหยาบๆก็คือความโลภความกดความหลงที่เราเคยมีในจิตในใจของเราพอมานั่งอยู่ที่นี่มันก็ไม่มีหรอกจิตใจมันก็เป็นปกติอย่างนี้นะอันนี้ก็คือมันเป็นการผ่านกิเลสอย่างหยาบมันก็ผ่านอย่างกลางก็ผ่านอย่างละเอียดมันก็ผ่านเคยรู้อะไรมารู้จนรักษาตัวรอดเป็นยอดคนอย่างนี้ตอนนี้มันกลายเป็นความรู้สึกตัว มันก็วางความอู้อต่างๆวางความสุขต่างๆที่เราเคยเสพแต่ว่าการเคลื่อนไหวใจรู้นี่ยมันจะไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากความสงบแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการออกมาจากความคิดจึงต้องเห็นกายเคลื่อนไหวเวลากายเคลื่อนไหวนะเห็นมันฝึกมันเห็นมันเราเห็นใจที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งอย่างนั้นนะไอยามเมื่อคืนเนี่ยก็มีข่าวเล่ารือกันหนาหูแล้วเกิน ไม่ทราบว่าพวกเราอยู่ที่นี่ได้ข่าวนี้หรือไม่ก็คือมีข่าวว่ามันมีรังสีของดาวอังคารกขมาในโลกไปนี้วแล้วก็ถ้าใครเปิดมือถือเมื่อคืนนะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสามรังสีตัวนี้จะเข้ามาสู่ตัวพวกเราก็รำเริงขนาดหนักอย่างนี้ของเราก็เลยปลอดภัยเลยใช่ไหมโทรศัพท์ไม่ได้ใช้เลยถูกเก็บหมดเลยเห็นไหมไม่ต้องกลัวยี้ คนก็ตื่นตัวกันมากเลยเพราใช้เทคโนโลยีนะตื่นตัวกันเมื่อคืนหลายคนก็นบ้าบอคอแตกกันไปเลยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้อินเทอร์อนเน็ตอย่างนี้มนันเป็นข่าวล่ำเลือแล้วอยู่ในโลกนี้มีข่าวเล่าเลือมากมายแล้วกันเป็นมงคลตื่นข่าวแต่ของเรามาที่นี่ได้ยินได้ฟังก็ตื่นทุกกันดีกว่าทุกที่เกิดจากการคิดการปรุงนยะมันเป็นเรื่องของไรสาระในชีวิตของเราควรมีสาระและ้ว สาระที่ใช้ชีวิตเหลืออยู่นะสู่มากสู่ผลกันต่อไปแต่ก็ฝึกฝนการฝึกเจริญสติปัฏฐานตามความเชื่อของใครของเราเราเชื่อว่าการฝึกเจริญสติปัฏฐานที่วัดป่าสุโกโตแนวหลวงปู่เทียนกิลโปมีการเคลื่อนการไหวสิบี่จังหวัดเราเชื่อเบื้องต้นนะแต่ว่าเราต่อความเชื่อองเรให้เป็นปัญญาเราไม่ได้เชื่อแบบไร้สาระ เราเชื่อแบบลองทดลองดูปฏิบัติดูเรียก ว, ว่ามีอยนิโสมณิการใครควรอย่างแ ย, ยบใครขมังตาหลีวหรือวตาตามไม่ไม่รับไม่ปฏิเสธเชื่อแบบนี้นะเชื่อว่าเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินจงกรมมันคือรูปแบบเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่มีอยู่ในโลกใบนี้แต่ว่าที่นี่เป็นเอกลักษณ์เป็นนัตลกเลยแล้วเราก็ฝึกหัดกันชวนกันทาพากันทำเนี ใกล้สุดพอมารู้สึกตัวได้เห็นความคิดมันหลุดมันขาดใหม่ๆมันจะอย่างนี้นะใหม่ใหม่มันจะคิดแล้วก็รู้ไม่ทันนะจนกระทั่งมันจบเรื่องเลยนะถึงจะรู้เท่ารู้ทันอ้าวเมื่อกี้มันคิดไปแล้วนี่เห็นนะพอนานไปนานไปนะทำบ่อยๆมันเกิดความจานานคล่องตัวพอมันคิดปั๊บสักครึ่งคึ่งมันก็รู้ทันแล้วก็จบพอทําไปทําไปมันไวขึ้นไวขึ้นสติปัญญานอ่ะนะมันรู้ เราเหมือกแม่นยำขึ้นแล้วก็คล่องตัวว่องไวเป็นไวพิบอย่างนี้นคิดปรับรูปปุ๊บเลยคิดปรับรูปปุ๊บเล ย, ยเวลาหน mm ึ่งวันสองวันสาวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันหรือว่าหนึ่งเดือนมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นตามกําลังที่เราสนใจใส่ใจฝึกหัดซ้อมท้ายสุดก็คือมันไม่ต้องทําในรูปแบบมันคิดตัวสติประฐานที่มันมีมัรู้ทันกับมันเองเลยอย่างนี้นนะ ถึตงตรงนี้แล้วก็นั่นหมายถึงว่าจะอยู่ตรงไหนจะทำอะไรมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาแม้กระทั่งนอนหลับก็ตามความคิดเกิดขึ้นสติปัฏฐานก็เข้าไปจัดการในระบบของความคิดมันไม่ให้คิดต่อสติก็คือความเป็นปกติหรือว่าปัจจุบันขณะที่กำลังทำอะไรอยู่ก็ตามมันอยู่ในกกอบของแดนงานอยู่ในกกอบของความบริสุทธิ์ ในกรอบของความเป็นปมจันทร์เนี่ยก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็จะเป็นคําตอบบอกเรามีโจทย์อะไรเกิดขึ้นมันก็จะเฉลยให้จนหายสงสัยต่อไปเพราะนั้นสติจึงเป็นกุญแจดอกเอกที่ไขปัญหาทุกเรื่องเราจะเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของสมมุติที่มีอยู่ในโลกใบนี้โลกของสมมุติในโลกใบนี้นี้มีพ้นโลกธรรมแปอะไรเงี้ยนะนินทาก็สมมุติให้เป็นนินทา สันเซินก็สมมติให้เป็นสันเสริญมีรากสมมติให้เป็นมีรากมียศก็สมมุติให้เป็นมียศยศฐานาศเนี่ยนะมันจะสร้างอำนาจขึ้นมาเนะี่ยมีสุขมีทุกมีหลายๆอย่างในโลกใบนี้ที่เราจะต้องออกมาเป็นเรื่องของการผ่านตลอดมีสติตาในอย่างเงี้ย น, นะระนันการพุทธนะพุนะพทธลูกนี่ยใหญ่โดนทองคํา กลาวว่ารำก็ใหญ่โดนตู้พัตวโดก์กล่าวว่สงก็ใหญ่โดนลูกชาวบ้านโดนผ้าเหลืองเพราะว่าเราสามารถที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้มีในตัวเราได้แน่นอนพระพุทธก็คือตัวเราธรรมก็คือตัวเราพระสง์ก็คือตัวเราอย่างที่เห็นนี้เหลืองๆคือสมมติสงถ้ายังไม่เข้าถึงมากผล น, นิพพานจะเรียกว่าสงไม่ได้เป็นแค่สมมติสง ต่งสงฆ์ที่แท้จริงต้องรู้ทำรรมาระดับใดระดับหนึ่งเรียกว่าอาริยะสงฆ์แล้วก็เกิน4รูปขึ้นไปถึงเรียกว่าพระสงฆ์มู่สงฆ์คณะสงฆ์สังฆะส่วนโยมเนี่ยเรียกว่าอาริยะบุนคคลถ้ารู้ธรรมเราจึงมาเรียนรู้สิ่งเดียวกันก็คือวิชาฝึกสติปฐาน4สี่สติไปใ น, ในกายในเวนในจิตในธรรมวิชาเดียวกัน มากี่คนนั่นคือปริมาณแต่ว่าจบกี่คนนั่นคือคุณภาพเป็นนักเรียนในเครื่องแบบนั่งเครื่องแบบแต่เราสามารถปฏิบัติท้าเรารู้ได้และท้ายสุดคือเราเป็นผู้ที่จะทําตัวเองไม่ทุกแล้วก็ไวหวตัวเองได้อันนั้นคือสุดยอดของชีวิตเราเรามีความดีมีเหลี่ยมดีสามารถหันกลับมามองตัวเองแล้วอรู้ว่าดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรตรงนี้นนะกลับมาหาตัวเองกันเลยว่าปฏิบัติธรรม อนาถทีสุดนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วก็มาอยู่ร่วมกันทำวัดเช้าเพื่อเป็นการเข้าร่วมโมโฆะนาแล้วกิจกรรมของชุมชนก็ขอให้ลัาากษณะของกันมาปฏิธรรมของเราในคราวครั้งนี้ก็ขอเอ็นเป็นเหตุขอให้เป็นเหตุหเป็นเรปัจจัยสำคจญหนึ่งจงให้เราได้มีการเดินทางทางจิต เรียกว่าจิตตภาวนาจิตตปัญญาแล้วเข้าถึงความจริงก็คือเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเกิดปัญญาพุทธะขึ้นมาจนทั้งทาตัวเองไม่ให้กเกิดความทุกข์ไม่ให้มีความทุกข์อยู่เนื้อเกิดเนื้อเจ็บเนื้อตายแล้วก็สามารถที่เข้าถึงสภาวะของนิพพานคือความเป็นปกติโดยตัวนาการทุกท่านทุกคนันเอ